โดยสารที่ไปเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยเป็นรายการดุคาดราะธรรมโดยอาจารย์สิงห์อินทชรากับแม่ท่าพิชาพระพิริศสุมาษครับสวัสดีท่านผูกฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหมามกุฏราชวิทยาลัยนะครับผู้กำนังคารครับเวลาเดียวกันนี้สองทุ่สิบเศษครับผมวสิงห์อินทศรา ไ้มาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องการวิเคราะห์ธรรมนะครับคาที่แล้วนี่ก็ได้วิเคราะห์ธรรมในเรื่องกาถาวัตถุในเรื่องสมาธิคาถาจบไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะขึ้นปัญญาคาถาะาถาที่ว่าด้วยปัญญา สักชวนกันให้มีปัญญาให้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตในการที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือในการตัดสินปัญหาต่างๆปัญญานี้เป็นคุณธรรมที่สูงสุดของพุทธศาสนานะครับเรียกว่าเป็นยอดของคุณธรรมก็ได้ ตตามตัวอักษรปัญญาก็แปลว่าความรู้ความรอบรู้ความเข้าใจแจ่มชัดเพราะความสามารถในการที่จะวินิจฉัยเหตุการณ์อย่างแน่นยับถ้าจะกล่าวโดยย่อก็มีสองอย่างคือโลกียปัญญาปัญญาอย่างโลกโลกปัญญาทางโลกคือความรู้ความเข้าใจในวิชาการาต่างๆที่เป็นฝ่ายโลก เป็นความรู้ในเทคโนโลยีา่างๆาปัญญาที่เป็นของโลพีชนถือว่าไม่ใช่ของโลกุตต ร, รชนไม่ใช่ของพระอริยะแเป็นปัญญาของพุ้ทุชนแต่ไม่ใช่ของอริยชนอันนี้เป็นประการหนึ่งนะครับ การที่สองก็ท่านเรียกว่าโลกุตตะปัญญาความรู้ความเข้าใจในทางธรรมของท่านผู้เป็นโลกุตตะชนหรืออริยชนและปัญญาที่ทำให้พ้นจากโลกียธรรมโดยตรงก็คือปัญญาของท่านที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ทระโสดาบันขึ้นไป นี่เรียกว่าโลกุตระปัญญานะครับปัญญาอย่างหลังนี้ก็มีความสําคัญในการที่จะทําบุคคลในพ้นทุกได้มากที่สุดหรว่าโดยสิ้นเชิงแต่สําหรับปัญญาที่เป็นโลกิยาจึงจะมีมากอย่างไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําพ้นจากความทุกได้ยังคงต้องเวียนอยู่ใน วังวนของความทุกข์เพราะว่ายังมีกิเลสมันเป็นเหตุให้ก่อกรรมแล้วก็เมื่อก่อกรรมก็ก่อกรรความทุกข์ต่อไปกรรมไม่ดีบ้างกรรมดีบ้างก็ยังวนเวียนอยู่ในทังสารวัตฏทําให้เกิดความทุกข์ต่อไปดัะนั้นในการสนทนากันเรื่องสัญญาในทางธรรมนี่ก็ เน้นไปในทางโสกุตระปัญญาหรือว่าหรือว่าวิวัตตะปัญญาปัญญาที่ทําให้พ้นจากวัตตะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดไม่เช่นชมยินดีต่อการเกิดใหม่เพราะว่าเมื่อเกิดใหม่ก็คือทุกข์ใหม่ตามมาด้วยทีนี้ก็พูดถึงแหล่งเกิดของปัญญา สองอย่างนะครับแหล่งเกิดของปัญญาสองอย่างอย่างที่หนึ่งท่านเรียกว่าสัจจิกับปัญญาปัญญาที่จิดตัวมาแต่กาเนิดอันนี้ก็เนื่องมาจากปัญญาพารามีในชาติก่อนตัวอย่างปัญญาของพระมโหสถบัณฑิตท่านมีปัญญาสามารถจะแก้ปัญหาใดกันต่างได้ทะลุผู้โปร่งมาตั้งแต่อายุยังน้อย นั่นก็เป็นสติกปัญญาเป็นปัญญาที่ติดตัวมาแต่กาเนิดแล้วทางสมัยใหม่เขาเรียกว่าไอคิวมีไอคิวสูงมีไอคิวสูงมีระดับสติปัญญาสูงนี่ป็น ก, การที่สองรอบโยคะปัญญานะครับโยคะปัญญาปัญญาที่ได้จากการประกอบ การกระทำภายลังมีทางมาเป็นสามทางนะครับโยคาปัญญานี่คือสุดะเมยปัญญาได้จากการศึกษาเรียนการระดับจับฟังการค้นคว้าหาความรู้า ก, การที่สองจินตามยปัญญาปัญญาที่ได้จากการใจตรองคบคิดหาเหตุผลเท้า สาวผลไปหาเหตุจากผลไปหาเหตุสาวไปหาเหตุรู้ผลแล้วสาวไปหาเหตุรู้เหตุแล้วก็คํานึงถึงผลหรือคัเดชถึงผลได้ว่าเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ผลอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ ว, ว่ารู้เหตุผลจรรู้เหตุรู้เหตุผลแล้วก็ประการที่สามภาวนามยปัญญาปัญญาที่ได้จากการอบรงฝึกผ ล, ผล จากการลงมือปฏิบัติาการทดลองการทาให้เห็นจริงนี่เรียกว่าภาวนาในยปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมักจะสอนพุทธบริษัทเสมอว่าภาวิตาภาภุริตาคืออบรมให้มากทําให้มากต้องการจะรู้สิ่งใดต้องการจะเชี่ยวชันในสิ่งใดต้องการจะแตกชันในสิ่งใดก็ให้ภาวิตา พระภูิกตาเอาพรวมให้มากทำให้มากในเรื่องนั้นทั้งปัญญาตะวันตกนะครับก็ได้ให้แรงเกิดของปัญญาเอาไว้เป็นสามแหล่งเหมือนกันเขาใช้คำว่า empirical empirical knowledge ความรู้ความรู้หรือปัญญาที่ได้จากประสาทสัมผัส กสัสัมผัสดูตาดูหูฟังเป็นเป็นการใช้ใช้อายต น, นะใช้ตาุจสมูกติใจนี่แหละให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาในการเรียนรู้ในการที่จะให้เกิดปัญญาอันนี้ก็เทียบกันได้กับสุตตมยปัญญาของทางพุทธศาสนา ประการที่สองเขเรียกว่าเรเชนันเรเชนันโนเลชความรู้หรือปัญญาที่ได้จากเหตุผลได้จากเหตุผลก็คือได้จากการพ uh, ิจารณาเหตุผลได้ตรองขอบคิด uh, หาเหตุผลแล้วก็อันที่สามเขเรียกว่าอินทอวิทิคอินเทอรวิทิคโนเลชความรู้หรือปัญญาที่ได้จากอ uh, ยานยานพิเศษยานพิเศษกานทรวิตีทีวีชันก็ก็แบบเดียวกับภาวนาเมญปัญญาในในปริยายหนึ่งโดยปริยายหนึ่งเป็นอันเดียวกับภาวนามายปัญญาแต่ก็มีปริยายอื่นอีกคำบินทริวิตีทีวชันในภาษาอังกฤษนี้มีคําแปลหลายอย่างแล้วแต่วิชา คำนี้เข้าไปเกี่ยวข้องบางทีใช้คำว่าแปลว่าอัดชับติกัญาาแปลว่ายานภายในดูเหมือนว่าภาษาไทยประจาในภาษาไทยจะแปลคำว่าอัดชับติกัญาาเพราะยานภายในคือรู้ภายในรู้ขึ้นมาข้างในจากข้างในรู้ขึ้นมาจากการอบรมฝึกฝนภายใน ทานองเนี้ยนะครับเป็นงานชัดติกรยาะว่าถ้าเทียบกับทางพุทธศาสนาก็จะเป็นความรู้พิเศษที่ได้จากการฝึกฝนอบรมทางจิตจนเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์เนเชอรัลเป็นเนื้อธรรมชาติเนื้อธรรมดานี่ก็ในเรื่องการ ได้สะดับกับฟังการได้ขบคิดการได้อบรมฝึกผลนี่ก็เป็นแรงเกิดของปัญญาที่ที่ดีมากนะนะครับไม่พ้นจากอันนี้ไปได้ใครที่จะมีปัญญาก็ไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้มีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่นักปราชญ์ทานนห้ ความคิดเอาไว้ให้แง่คิดเอาไว้ว่าคนที่อ่านมากอ่านมากนี่อ่านมากฟังมากนี่ทำให้มีความรู้ก ว, าวา้างขวางอันนี้คนที่คิดมากคิดลึกคิดมากคิดลึกซึ่งถ้ามันตรองขอบคิดหาเหตุผลมากก็จะทำให้เป็นคนลึกซึ้ง เธอมีความรู้ลึกซึ้งรู้ลึกเพอความคิดทีนี้ก็ถ้าเขียนมากก็จะทําให้แม่นยับเขียนบ่อยๆไปเห็นอะไรเท่าก็เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้จดเรีว่าจดแล้วก็จําจดแล้วก็จําำเขียนบ่อยๆนี่เรียกว่าทําให้แม่นยําว่าอ่านมากทําให้ความรู้กว้างขวางคิด นิมากทาให้ความรู้ลึกซึ้งแต่ก็ถ้าเขียนมากก็ทําให้แน่นยัาในที่นี้ถ้าฝึกผลอบรมมากฝึกผลตนเองนะครับคำว่าอบรมในที่นี้อบรมในภาษาไทยนี่มันจะมากจะมีความหมายเป็นในทางว่าไปให้เขาอบรมหรือไปอบรมคนอื่นแต่ในที่นี้หมายถึงว่าเราอบรมฝึกผลตนเองเนี่ยก็ทําให้ได้เห็นจริง ได้เห็นสิ่งได้เห็นอย่างท่องแท้ออย่างที่โบราณท่านว่าอสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำอสิบมือคำไม่เท่าชานานเพราะถ้าชานานถ้าชานานแล้วคลุกคลีกับสิ่งใดมากเขาก็มีความชานานในสิ่งนั้นมันก็จะ <c oughs> เกิดอความ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือว่าสามารถจะบอกอะไรได้อย่างทองแท้แล้วก็เป็นจริงเพราะความชำนาญหมอบางคนที่รักษาโรคบางอย่างอยู่เป็นประจำเนี่ยรักษาโรคชนิดนั้นอยู่เป็นประจำแต่คนไข้เดินเข้ามาบางทีเขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเป็นโรคนั้นหรือไม่เป็น ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามือคทำยังไม่ได้ได้อทําอะไรยังไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเกี่ยนเย็นคนไข้เดินเข้ามานะรู้แล้วว่าคนไข้คนนี้เป็นอันนั้นหรือไม่เป็นเพราะความชํานาญชานาญเพราะอารได้ผ่านประสบการณ์มากได้ได้พบคนที่เป็นโรคชนิดนั้นมามาก <c oughs> เพราะฉะนั้นอถ้าต้องการให้มีปัญญา ก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็ต้องใช้เหตุของปัญญาเหตุที่จะให้เกิดปัญญ า, ามันสดับปรับฟังศึกษาเล่าเรียนอ่านมากเรียนมากาสะสมตำรามากาค้นคว้ามากสามารถจะหยิบได้ว่าต้องการเรื่องอะไรก็หยิบมาจากที่ไหนก็หยิบได้ทันท่วงทีแล้วก็คิดให้หมาก เธอใจจองขอบคิดหาเหตุผลของสิ่งนั้นๆนํามาเทียบเทียงว่าสิ่งนั้นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับสิ่งนี้เป็นอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นได้ไหมทําไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นทําไมทําไมนี่ต้องมีไว้เสมอสําหรับคนที่ต้องการจะมีความรู้ลึกลึกซึ่งทําไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นใดไหมเป็นอย่างโน้นได้ไหมไม่ใช่ เพื่อนเียนานอ่านไปแล้วก็ขเขาว่าอย่างไรก็เชื่อไปตามนั้นท่านนั้นก็ก็มีความรู้ตามหนังสือแต่ก็ไม่แตกฉานไม่ลึกซึ้งทีนี้ถ้าบันทึกบันทึกด้วยเขียนด้วยก็จะทำให้แม่นยํำขึ้นมากท่านี้ก็ <c oughs> พูดถึงลักษณะของปัญญานะครับลักษณะของปัญญา ปัญญานี่มีลักษณะตัดให้ขาดคือตัดสินปัญหาได้ตัดสินได้ว่าอะไรควรเอาไว้อะไรควรทิ้งไปโยนิโสมนสิกการในการทาไว้ในใจโดยเยบกายหรือโดยอุบายที่เยบกายอุบายนี่ไม่ใช่เรื่ยเหลี่ยมนะครับหมายถึงว่าวิธีการเมธอดเป็นวิธีการ โยนิสโสมนัสิการการทำไว้ในใจโดยเย็บไขยหรือโดยอบายที่เย็บไข่โยนิสโสมนัสิการนี้จะมีลักษณะในยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ปัญญาจะมีลักษณะตัดให้ขาดท่านเกียบไว้ว่าเหมือนชาวนาที่เกี่ยวข้าวรวบกอข้าวด้วยมือข้างหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ตัดด้วยมือข้างหนึ่ง ทีนี้ในการตัดกิเลสเเก็เหมือนกันกับผู้บำเพ็ญเพียรควบคุมใจไว้ด้วยโยนิโสมนสิกาแล้วก็ตัดกิเลสด้วยปัญญา<อ>บางทีก็อสติปัญญามาด้วยกันสติสติก็นำเรื่องราวนั้นๆมา<อ>มาเพื่อให้ปัญญาได้พิจารณา ปัญญาเป็นตัวจักสูบเป็นเหมือนตาที่ไวด้ดูไว้พิจารณาแต่สติก็เหมือนกับเหมือนกับมือที่เราตึงสิ่งนั้นๆมาให้ใกล้เพื่อให้ปัญญาได้พิจารณาโดยชัดเจดนสติกับปัญญาก็มักจะอไปด้วยกันเสมออย่างที่โบราณเราก็มักจะพูดว่าสติปัญญาะคนนี้มีสติปัญญาดี คนนี้มีสติปัญญาไม่ดีคนนี้มีสติมาก <c oughs> มีสติมากปัญญาน้อยคนนี้มีปัญญามากสติน้อยไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าธรรมดาก็มักจะไปด้วยกันสติปัญญาอานั้นถ้ามีสติน้อยปัญญาก็คงจะน้อยไปด้วยแต่ทีนี้ก็ผ <c> ม <oughs> พูดไปตามที่คนที่อยากจะพูดเขาก็พูดกันไป แต่ว่าถ้ามีสติน้อยก็น่าจะมีปัญญาน้อยหรือมีสติมากก็น่าจะมีปัญญามากด้วย <c oughs> นี้ก็พูดถึงธรรมะอย่างนะครับธรรมะอย่างมีศ ร, รัทธาเป็นต้นเนี่ยนะครับมีปัญญาเป็นสุดท้ายท่านเรียกว่าภละบ้างอินทรีย์บ้าง ที่เรียกว่าพละก็ในความหมายว่าเป็นกําลังในการบรรลุธรรมในการที่จะบรรลุธรรมหรือว่าในการที่จะบรรลุอะไรประสบความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าบรรลุถึงคุณเรื่องสูงขึ้นไปนี้หัวข้อทำเดียวกันนี้ท่านก็เรียกว่าอินทรีย์ดังเพราะว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเช่นว่าศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นใหญ่ ในความเชื่อในความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อแล้วก็จะกำจัดอาสัตยยะ ก, กำจัดอาสัตยยะแปลว่าความไม่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อกำจัดอาสัตยยะออออแล้วก็สอดเสือแมนักกัดท้อทหารท่อตรงสระอียอยักษ์สระอาละอาสัตยยะแปลว่าความไม่เชื่อ ในสิ่งที่คนเชื่อเนี่ยจะศรัทธาจะมีหน้าที่ในการที่จะก ร, รมจัดสิ่งเหล่านี้เสียเวิยะวิทยะเกิดขึ้นก็จะกรรมจัดโกสัจจะโกสัจจะแปลว่าความเกียรต้าน อ, อย่างนี้กับเพราะฉะนั้นแต่ละตัวธรรมะแต่ละแต่ละองค์ธรรมนี่ก็เป็นอินทรีย์ในฐานะที่ว่าทาหน้าที่ เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวคล้ายๆตาเป็นใหญ่ในการดู อ, อ, อัญยตนาหกมีท่านเรียอินสี่กก็มีนะฮะอัยยตนาหกเาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยาตาตาเป็นใหญ่ในการดูเอาหูมาดูแทนไม่ได้หูเป็นใหญ่ในการฟังเอาตาไปฟังแทนก็ไม่ได้จมูกในการดมรถลิ้นในการลิ้มรสกายในกางในการถูกต้องเย็ยนร้อนอ่อนแข็ง หรือผดทับพระสิ่งที่กายจะพึงถูกต้องได้ถูกต้องได้ด้วยกายอันนี้ก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตั ว, วอินซีอ <c oughs> ีกทีก็อินซีบางแห่งก็แปลว่าความพร้อมบางแห่งเช่นว่าพระพุทธเจ้าทรงรอคอยให้ยินซีของพิกสุนั้นแก่กล้ากอดอินซีในที่นี้หมายถึงความพร้อมแมช่ชวยดีแมช่ชวยดีความพร้อม เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำนี่ถ้ามาในที่ต่างต่างแห่งกันความหมายก็จะเปลี่ยนไปบ้างมันเป็นแล้วแต่บริบทคือว่าข้อความใกล้เคียงของอที่นั้นๆเพราะฉะนั้นก็ภาษาธรรมะก็ต้องทําความเข้าใจกันให้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะสับสนแล้วก็ตีกันยุ่งไปหมดมทีนี้ เมื่อแต่ละอย่างทําหน้าที่ของตนสมบูรณ์ไม่บกพร่องแก็ทําให้เกิดกําลังขึ้นคล้ายๆกับเอเหมือนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะครับทําหน้าที่ของตนสมบูรณ์ไม่บกพร่องแต่ว่าไม่เจ็บป่วยหรือพิการแอ้วทำให้ร่างกายนั้นมีกําลังแข็งแรงดีเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์ทั้งห้าที่รวมตัวกันแล้วเป็นพลังทำให้จิตใจมีกำลังในการกำจัดทากุศลแล้วก็จเจริญกุศลไอ้กายไอ้กายนิ้วเราห้านิ้วเนี่ยครับถ้าเบือกลางออกแล้วแยกกันเนี่ยมันก็มันก็มีกมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ตามหน้าที่แต่ว่า พอเรารวมกันพอนิ้วทำงานนิ้วมารวมกันเป็นเป็นกำปั้นเป็นกำปั้นเป็นหมัดมีกำพลังแรงในการที่จะชกหรือในการที่จะทำลายล้างคู่ต่อสู้แต่ละเป็นยังแยกกันอยู่แต่ละนิ้วเนี่ยมันก็ไม่มีพลังไม่มีกำลังแพอรวมกันมันจะมีกำลังอย่างนี้กับเรื่องธรรมะอย่างนี้ห้าอย่างนี้เป็นอินทรีย์ ก็ในฐานาที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวนี่ก็เป็นเมื่อรวมกันก็เป็นพละให้มีกำลังในการที่จะกำจัดฝ่ายที่เป็นข้าศึกอันนี้แล้ะครับคือเหตุผลที่ในโพธิปฏิยธรรมสามสิบเจ็ดประกาศเนี่ยเรามีทำอยู่สองหมวดคือสี่ห้าพละห้าหัวข้อทมเหมือนกันสัต มีข้มีมอุปโภคทำเหมือนกันทั้งห้าอย่างแต่ว่าท่านจัดเป็นสองหมวดคือเป็นอินทรีย์หมวดหนึ่งแล้วก็เป็นพลายหมดหนึ่ง อ, งอคราวนี้ก็ถ้าจะพูดต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็คงจะไม่ไม่ทันเวลาแล้วครับในเรื่องของปัญญาที่ยังจะต้องคุยกันอี ก, อกจะสักครั้งสองครั้งอะไรนะครับเวลานี้ก็อ เวลาก็จะสองทุ่มครึ่งอยู่แล้วเลยนาทีเดียวก็คงพูดอะไรไม่ทันเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบในปัญญาคถาไว้เขียนเท่านี้ก่อนแลับก็ในที่สุดนี้ก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ ัอดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ น, นี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมาหมากุตติชวิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารครับเวลาสองทุ่มเศษเศษประมาณสองทุ่มสิบนาทีครับผมวสินอินทเสระจะมาพบกับท่านผู้ฟังในราการวิเคราะห์ธรรมนะครับเมื่อกล่าวที่แล้วเมื่อวันอังคารก่อนนะครับได้ วิเคราะห์ทรมอมาถึงเรื่องปัญญากถานะครับในคาถาวัตถุสิบมาถึงปัญญากถาคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องอินรียห้ากับพละห้าซึ่งมีปัญญาอยู่ด้วยแล้วก็รสรุปไม่เห็นว่าอินรี่กับภะละนั้นมีหัวข้อธรรมห้าข้อเหมือนกันทุกข้อ แต่ที่ท่านจะเป็นสองหมดธรรมหรือเป็นอินทรีกับเป็นพร ะ, ะในโพธิปเทียรธรรมสามสิบเจ็ดประการนะครับก็เพราะว่าอินทรีนั้นแต่ละหัวข้อแต่ละองค์ธรรมก็ทาหน้าที่ของตนแต่เมื่อรวมกันแล้วก็มีพลังที่จะกำจัด กิเลสหรือว่ามีพลังที่จะให้บุคคลผู้ปฏิบัติผู้มีได้ได้ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ที่เคยข้อความที่จบลงเมื่อวันอังคารก่อนนะครับทีนี้ก็วันนี้จะขยายความของภะข้อสุดท้ายคือปัญญา ออกไปสักหน่อยนะครับพุทธศาสนาเนี่ยครับถือเอาปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดซึ่งจะนําไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นคือคือมีหมดนะครับตัวปัญญาเองเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด เป็นแต่เพียงเครื่องมือฉั้นสุดท้ายเท่านั้นในการปฏิบัติโดยทั่วไปจึงเพิ่มพ้นจากศีลคือความศึกษาหรือการรักษาหรือควบคุมกายวาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีคอ้ายต้นไม้นะครับที่อย่างเล็กต้อง จะต้องมีไม้หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งล้อมไว้ก่อนหรือว่าอาจจะใช้หลักแล้วก็เชือกผูกติดไว้เพื่อไม่ให้ล้มเมื่อลมแรงเละออย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่ยังเล็กซึ่งเจ้าของจะต้องล้อมคอกไว้กอนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกลมเลน หรือว่าตกบ่อหรือว่าเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายด้วยง่ายทีนี้เมื่อต้นไม้หรือสัตว์เติบโตแข็งแรงดีแล้วก็ปล่อยได้ปล่อยได้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอันตรายพ้นจากอันตรายได้คนก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับคนก็เป็นเช่นเดียวกันอ้า แม้ว่าจะมีศีลมีศีลดีแล้วก็ต้องประคับประคองตนไว้ด้วยความไม่ประมาทต้องรักษาจิตด้วยสติอยู่เสมอเช่นระ ว, วังใจไม่ให้ติดในสิ่งที่ชวนให้ติดไม่ให้ขัดเคืองในสิ่งที่ชวนให้ขัดเคืองไม่ให้ลุ่มหลงหมัวเมาในสิ่งที่ชวนให้ลุ่มหลงหมัวเมา ทันจะสังเกตว่าตอนนี้จะก้าวเข้ามาสู่แดนของสมาธิคือความสงบมั่นคงของดวงจิตที่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้ปัญญาเหมือนเหมือนเราก็มองดูวัตถุในน้ำที่ใสนิ่งนะครับก็จะเห็นได้ชัดคือการมองสิ่งใดสิ่งเหล็กที่ อยู่ข้างทางขณะรถวิ่งอยู่กับขณะที่ดูขณะกับการมองดูขณะที่รถหยุดนิ่งก็จะมองเห็นชัดเจนได้ไม่เท่ากัน